พุทวรสวัสดีค่ะท่านฝั่งที่ครบค่ะพุทธรัตรสวัสดีเพราะรายการนี้เป็นรายการที่น้อมนําเอาพุทธวัจนะมาเป็นสาระหลักให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าถึงคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรานับว่าเป็นคําสอนที่ล้ําค่ามากที่สุดสําหรับพวกเราที่นับถือศาสนาพุทธในรายการสัมสนีสนทนาซึ่งท่านจะรับฟังได้เป็นประจํา ทุกวันจนันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี้นะคะ fm 106กับวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลมิมพระเกียรติค่ะเริ่มต้นเรามาเข้าสู่การปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะและฟังพระสูตจากพระมารชาคาวโรวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบกันเช่นเคยเลยนะคะนมักการะทั้นค่ะเจริญพรเชาววันนี้เราก็มาเข้าใกล้ชิดกับพระผู้มีพระภาคเจ้าให้มากขึ้นเช่นเคยทําความรู้จักกับพระองค์ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการมาเจริญอาณาปานสติทำความเพียรเผากิเลสทำจิตให้หลุดพ้นแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พระองค์แนะนำให้มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแาพึงสแสวงหานั่นคือสแสวงหามาผลนิพพานเพราะเมื่อเราสแสวงหามาผลนิพพานได้แล้วเราก็จะไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่ต้องเกิด เราก็ไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์ที่สุดนั่นคือความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะหากเรายังแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายไม่ได้เราก็จะต้องเกิดแก่ตายไปอีกตลอดกาลนานหาที่สุดจบไม่ได้นั่นเองดังนั้นการที่เรามาเจริญานาปานาสติทางความเพียรผาเกเรนี้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 ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายตั้งปวงหายใจเข้าและหายใจออกทากายสังขารคือความปรุงแต่งทางกายให้รำงับอยู่หายใจเข้าและหายใจออกหากจิตหลุดไปคิดในเรื่องใดก็ตามความสุขความทุกข์อดีตอนาคตพระงก็ให้เรารีบวางความคิดนั้นเสีย เรียกว่าการละนันทีแล้วกลับมามีสติระลึรกรู้อยู่กับลมหายใจพร่องตรัสว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ปิกษุดนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผาเล็มีสัมปชัญญะมีสตินำความยินดีและความยินร้ายในโลกออกเสียได้และอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นพระองค์ตรัสว่าอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ อันมังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นหากดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาส่วนอุบเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรพนาชันเลิรในอริยวินัยสำหรับพระสุนวันนี้จะนำพระสุนทเรื่องของผู้ที่มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทมาให้ฟังกัน โดยพร่องจัดกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลสำรวมจากขุนซีอยู่คืออินทรีย์ทางตาจิตย่อมไม่เกลียดกลัวในรูปทั้งหลาย อันจะพึงรู้แจ้งด้วยตาเมื่อเขามีจิตไม่เกลือกลัวปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทมเกิดแล้วปิติย่อมเกิดเมื่อมีใจปิติกายย่อมสงบรำงับเมื่อมีกายสงบรำงับย่อมอยู่เป็นสุข จิตของผู้มีสุขยอมตั้งมั่นเมื่อมีจิตตั้งมั่นแล้วทำทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏบุคคล น, นั้นย่อมถึงซึ่งการนับว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้และในกรณีของหู จมูกลิ้นกายและใจพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันและพระองค์ก็ตรัสต่อว่าเพิกษุนทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าบุคคลเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทดังนี้แลดังนั้นหากเราสำรวมตา หูจมูกลิ้นกายและใจจิตเราก็จะไม่เกลือกกลั่วไปในรูปเสียงกลิ่นรสปุถัาพระและธรรมารมทั้งหลายเมื่อจิตไม่เกลือนกลัว่วลำดับของจิตก็จะไปสู่ปราโมทย์ปิติความสงบน้ำงับของกายความสุขความตั้งมั่นของจิต และความปรากฏของธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้เราได้เห็นแบบนี้พระองค์จึงเรียกว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทดังนั้นเราก็มาสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจกันเพื่อเป็นผู้ที่อยู่อย่างไม่ประมาทวันนี้เราก็ทําความเพียรมาได้สมควรแก่เวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเจริญอานาปานาสติ และสั่งสมพุทธวจนะกันต่อวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ค่ะการที่ท่านได้พาตัวมาเข้าถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ถือว่าเป็นการไม่ประมาทในเบื้องต้นแล้วนะคะ<ด>แล้ววันพรุ่งนี้ก็พบกับพระมากชาคาวโรวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิทธิ์กันได้ใหม่คะ่ะสำหรับวันนี้นมันสการขอบพระคุณท่านนะคะเจริญพร